เรานั่งภาวนาแค่ครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีน้อยไปน้อยไปเรานั่งภาวนาหนึ่งครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีน้อยไปน้อยไปยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรร่างกายยังไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ชา ที่ที่วัดเราเดี๋ยวนี้ตอนค่ำเราลงหนึ่งวันเว้นสองวันหนึ่งวันเว้นสองวันนอกพรรษาในพรรษานี่เราก็เริ่มปรับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งวันเว้นวันหนึ่งวันเว้นวันลงตอนค่ำแบบนี้ ที่ทำเต่าพอเริ่มพอเริ่มมืดพอเริ่มพอเริ่มหัวค่ำใกล้จะมืดหรือเวลาอีก20่นาทีจะมืดเวลาเท่าไหร่ไม่กําหนดกําหนดเอาว่ามืดเป็นเกณฑ์ตีละครตีละครเสรียจก็มืดพอดีมืดพอดีเราก็ไปนั่งกันใครไปก่อนก็นั่งก่อน ไปหลังก็นั่งหลังแต่ก็ก่อนหลังกันไม่ไม่มากนักก็ไป น, น, นั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงถึงถึงจะพอเจ็บพอปวดเห็นดำเห็นแดงกันพอสองชั่วโมงก็กะว่ า, าสองทุ่มแต่สองทุ่มที่นู่นนะมืดนะมันมืดตั้งแต่ ก่อนหกโมงก็มีมันไม่เหมือนที่นี่ที่นี่สองทุ่มแล้วยังไม่มืดเป็นนั่งสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงนั่งภาวนาสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็พาทําบัดรสวดมนต์พาทำบัดรสวดมนต์เราก็ไม่ไม่พาสวดเยอะเหมือนที่อื่นประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีสวดมนต์แปลก็สวด น, น้อย เฉพาะบทอาการสามสิบสองนี่นี่เราก็แปลแผลเมตตาพรมวิหารนี่เราก็แปลสวนธรรมวัดธรรมดาเราก็ไม่ได้แปล <c oughs> สวดมนประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทียี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีเสร็จแล้วก็นั่งอีก นั่งอีกเที่นุนละละละเนียนเยอะเฉพาะพระเนนก็จะเกือบ30บางครั้งก็30สิกว่าบางครั้งมีอาการทุกข์เข้าไปก็30สิกว่ายอมก็30กว่าเวลาวันไหนเรารวมกันชาวบ้านเขาก็มาอยู่ในวัดก็มีชาวบ้านาก็มารวมกันอีกก็พอดีพดีกับสลาเรา สลาไม่ใหญ่สลาเล็กๆเ <c oughs> นางภาวนาทอดที่สองรอบที่สองรอบที่สองนี่เราก็พูดเราก็พูดทำให้ฟังไปเรื่อยๆบางครั้งก็ส0สินาทีบางครั้งก็สี่สนา ท, บานาทีบางครั้งก็เป็นชั่วโมงแต่ก็เลิก สามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มอย่างสูงก็สี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มถ้าพูดถือว่าพวกเราเสียสละเวลาเพื่อที่จะมาทำประโยชน์ให้กับตัวเองขนาดนี้เราว่าพอดีไม่ถือว่ามากหรอกเพราะเพราะว่าประโยชน์ส่วนนี้มันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจของเราทุกทุกคน ไม่ว่าพระไม่ว่าคราวาสการที่เราจะมาอบรมจิตของตัวเองเนี่ยมันเป็นโอกาสที่หายากมากบางคนไม่เคยรู้จักเลยคำว่าอบรมจิตเนี่ยบางคนไม่เคยรู้จักมีแต่อบรมอะไรก็ไม่รู้อบรมจิตให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมให้เข้าสู่ความสงบเพื่อจะมาสงบระงับ เพืที่จะมารู้ว่าตัวเองกิเลสภายในใจของตัวเองคืออะไรเป็นอะไรนี่ธรรมะพร้อมที่จะเกิดในหัวใจของตัวเองคืออะไรเป็นอะไรไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินได้ฟังการที่เราเข้ามาแบบนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากจากหัวค่ําไปสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนี่เราว่าเราว่าไม่ถือว่าเสียเวลามากคู่ควร ผู้ควรกับเราแสวยหาคุณนาความดีให้กับตัวเองการนั่งนานๆที่จะเจ็บจะปวดก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาการนั่งภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะแบบอย่างพวกเราต้องบอกกันคาว่าแบบอย่างก็คือทำเนียมปฏิบัติเหมือนอย่างที่เรากราบเรากราบเนี่ย เราทำวัดเราสวดมนต์เรากราบเราไหว้เราถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการนั่งภาวนาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแบบอย่างหรือเยี่ยงอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนโดยเพาะ อ, อาจารย์อินทร์นะท่านเน้นมากเรื่องธรรมเนียมเรื่องเยี่ยงอย่างเนี่ยแต่เราส่วนมากบางทีเรามาจับแล้วก็พู ด, พ, ดพูดแต่เรื่องอย่างอื่นไป เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติแต่บางทีก็มีแต่คนเก่าแล้วก็พูดอย่างอื่นไปแต่ถ้ามีคนใหม่ควรจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติก็จะเป็นการดีเช่นอย่าง ก, การนั่งสมาธิเราก็นิยมนั่งแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมาหนุนไม่ต้องมีอะไรมหนุนเพราะเราถือว่าเรานั่ง ครึ่งชั่วโมง40นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราต้องปวดทุกคเวทนาจะต้องปวดจะต้องเจ็บจะต้องปวดเรานั่งขัดสมาดเรานั่งขัดสมาดนั่งขัดสมาดหนชั้นนั่งขัดสมาดสอชั้นนั่งขัดสมาดหนชั้น นั่งคัตสมาหนึ่งชั้นอย <robbery> hm ่างเงี <S <s <uss ết> ้ยเรียนั่งคัดสมาหนึ่งชั้นซ้ายอยู่ข้างในขวาอยู่ข้างนอกนั่งคัดสมาหนึ่งชั้นนั่งคัดสมาสองชั้นนี่นี่นั่งคัดสมาสองชั้นขวาทับซ้ายนั่งคัดสมาสองชั้น นั่ัดสมาตรนี่อันนี้ก็เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างที่เราทาครูบาอาจารย์เราก็อสนอนแล้วก็ที่สาก็ขัดสมมาตรเพชรคัดสมมาตรเพชรคัดสมาตเพช ร, ร, พชรอันเนี้ยวิธีที่สามแแบบนี้เยี่ยมแมบบ ไม่ล้มไม่อะไรแหละอะไม่ล้มไปหน้าก็ไม่มาหลังก็ไ่ใช้ก็ม่ะวาก็ไม่ได้นี่ขัดสมาธิเพชรนี่อาจารย์จีรวัฒน์นท่านชอบนั่งแบบนี้อาจารย์จีรวัฒน์ท่านชอบนั่งแต่มือขวามือซ้ายนี่ก็ต้องปกติธรรมดาแต่ถ้าเรานั่งนานๆสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วนี่มันมีถ้าต่อสู้กันนะ บางทีมันหลุดมันอะไรมาบางทีมันยันเราดูไปแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาปางชนะมารเนี่ยปางชนะมารมือของท่านไม่ได้อยู่นี่มือของท่านอยู่นี่ปางชนะมารถึงขั้นต่อสู้กันจริงๆมือมือมันไม่ได้อยู่อย่างนี้นะมือมันไม่ได้อยู่อย่างนี้บางทีก็มันเอาแต่ข้างในพราะว่าข้างนอกมันก็ แต่ต้อมชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นต้นไปนั่งนั่งสานาที40นาทีเหมือนอย่างที่เราอย่างเงี้ยประสบการณ์มันมีน้อยประสบการณ์มันไม่มีให้เราจับไว้นี่แบบอย่างอันนี้อย่างที่สขัดสมาธิเพชร <c oughs> ขัดสมาธิเพชรอันนี้ขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิสองชั้นแล้วก็นั่งธรรมดาอย่างเงี้ยนั่งอย่างเี้ ทำดาไม่มีอะไรหนุนไม่มีไม่มีอะไรหนุนก้นไม่มีไม้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นธรรมเนียมครูบาอาจารย์ท่านผานั่งอันนี้แบบที่สองขวาทับซ้ายมือก็อย่างนี้เหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นจะเป็นท่าที่นิยมที่สุดอันนี้จะเป็นท่าที่งามดีขัดสมาธิมีน้อยแบบนี้นี่เป็นที่นิยมแล้วก็ แบบที่นั่งให้โต ก, กับจรินิสยัยบางคนก็นั่งอย่างนี้คือเราถ้าเรานั่งนานๆเราจะถนัดนั่งแบบนี้เพราะนั่งแบบนี้มันล้มยากนนั่งแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ระวังนี่ไปข้างหลังเลย ล, ล้ลมไปข้างหลังล้มไปข้างหลังล้มไปข้างหลังถ้านั่งนั่งแบบนี้เนี่ยมันมันจะไม่ลม้มแต่มือก็จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอด แล้นั่งแบบนี้นั่งได้ทนด้วยท่านเรียกว่า 1, 1, ขัดสมาธิหชั้น1ชั้นขัดสมาธิเพชั้ น, 1, นขัดสมาธิชั้นเอขัดสมาธิหชั้นขัดสมาธิอชั้นถ้าขัดสมาธิอันนี้วิธีขัดสมาธินะตั้งกายให้ตรงํารงสติให้มั่น บริกรรมพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์ท่านสอนกันนี้อันนี้เป็นแบบอย่างพุทโธพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์ให้บริกรรมโดยเฉพาะหลงผูเสาหลงผูมั่นหลงตาเนี่ยท่านเน้นพุทโธพุทโธพุทโธเพราะฉะนั้นคําว่าพุทโธจึงจึงมี จึงมีคำบริกรรมเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานดังพุทโธทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นแบบอย่างพุทโธแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานแต่ที่เราทำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นแบบอย่างใครมาทำก็ต้องทำตามอย่างนี้พอทำไปแล้วจิตสงบ จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จิตมันจะตื่นจิตตื่นจิตเบิกบานพุโทโธแปล ว, ว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานคาว่าพุทธโธพอจิตเราสงบจริงๆ ร, รวมทั้งสมถะรวมทั้งวิปัสนาจิตสงบสงดจากกิเลสทั้งหมดละกิเลสได้ทั้งหมดนะ่ะเป็นเนื้อหาของคำว่าพุโทโธ แปลว่าแบบแปลว่าแปลว่าแปลว่าผลปรากฏขึ้นจิตตื่นจิตเบิกบานนั่นเป็นเนื้อหาแท้ๆแหละจิตตื่นจิตเบิกบานคาว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากกิเลสตื่นจากตัณหาตื่นจากความลุ่มหลงอวิชชาตัณหา ป, ปาทิหารตื่นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด สิ่งเหล่านั้นจะมาครอบคลุมจิตใจไม่ได้นี่เป็นเนื้อหาที่แท้จริงของคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไอที่เราทําทํากันเนี่ยมันยังไม่มีผลอะไรปรากฏมันเป็นแบบอย่างเราทําเป็นเยี่ยงอย่างทําเป็นแบบอย่างแต่ก็อาศัยแบบอย่างนี่แหละจนกว่าเนื้อหาจะปรากฏเป็นผลปรากฏที่แท้จริงอุปสรรคมันต้องมีอุปสรรคอุปสรรคคือเราต้องการให้จิตสงบแต่มันไม่สงบ สิ่งที่ทําให้จิตไม่สงบนั่นแหละที่เรียกว่าอุปสรรคภาษาธรรมะที่เรียกว่านิวรนิวรนิวรนั่นแหละเป็นตัวอุปสรรคอุปสรรคคือนิว ร, น, วรนิวรของความสงบนิวรนิวรคืออุปสรรคของความสงบแล้วก็นิวรอีกอันหนึง่งมันยังไม่สงบมันปวดซะก่อนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งนะ ครึ่งชัว่วโมงสี่สิบนาทีห้าินาทีเป็นต้นไปบางคนนั่งไม่ถูกที่นั่งไม่ได้ที่ปวดแต่ครูบราอาจารย์ท่านท่านถือว่าปวดก็เป็นเรื่องดีจะได้เอาจะได้เอาการปวดจะได้เอาความปวดมามัดจะได้เอาเอาทุกเขเวทนาเนี่มามัดอพอเราพุดโธพุทโทพุดโท ร, โทรปวดปว ด, ป ด, ปดมากๆเข้าปวดมากๆเข้า ท่านทิ้งคําว่าพุทโธทิ้งคําว่าพุทโธมาพิจารณาการปวดมาพิจารณาทุกขเวทนาในระหว่างที่เราหายใจพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นกายมันเป็นมันเป็นกายญาณุปัฏฐาน พอเราทําไปทําไปมันปวดพอปวดมากๆเข้าเราก็จาะมาที่ความปวดเนี่ยเป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานนะมันเลื่อนจากกายมาเป็นเวทนาโดยอัตโนมัติถ้าหากเราไม่มาพิจารณาทุกเขเวทนามาพิจารณาความปวดเนี่ยสักหน่อยหนึ่งมันจะสู้ไม่ได้จิตมันจะถอยแล้วมันจะสู้ไม่ได้แหละ <c oughs> เพราะอะไร เพราะสู้ความเจ็บความปวดไม่ได้เทนวิวิธีการต่อสู้มีวิธีการต่อสู้เวทนามีวิธีการท่านจึงให้มากําหนดแบบมหาสติปัฏฐานาเวทนาท่านให้พิจรารณาเอาผู้รู้ของเราเนี่จิ้มไปที่เวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนามีสติระลึกรู้ว่าสักต่แต่ว่าเวทนา ไม่ใช่เราไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอาศัยผู้รู้เนี่ยรู้รู้ความเจ็บรู้ความปวดแท้ที่จริงผู้รู้ไม่ไ <teaching. S 1> ด้ปวดจิตไม่ได้ปวดดูไปที่เวทนาเวทนาก็ไม่ได้ปวดเป็นเรื่องแปลกไหมเราฟังเป็นเรื่องแปลกไหม เวทนาก็ไม่ได้ปวดจิตก็ไม่ได้ปวดจิตรู้ว่ากายปวดกายก็ไม่ได้รู้ว่ามันปวดเวทนาก็ไม่ได้รู้ว่ามันปวดตัวที่แท้จริงตัวจิตผู้รู้จิตก็ไม่ได้ปวดอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราปวดและเราทนไม่ได้ตัวอุปาทานอุปาทานตัวนี้ลตัวนี้เอง พราะฉะนั้นเราพยายามนั่งจนอุปาทานมันเบาไปมันบางไปมันจางไปมันคลายไปเนี่ยเรานั่งเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีเราไม่ได้เอาเรามามารองรับว่าเราเจ็บว่าเราปวดว่าหัวเขาเราว่าเอวเราไม่ใช่ไม่ใช่หัวเขาเราไม่ใช่เวทนาเราไม่ใช่จิตเราไม่ใช่จิตปวด นี่เรามีศัจธรรมที่พยายามคน้นค้นให้เห็นหลักสัจธรรม น, นี้พอเวลาปวดไปแล้วเราอย่าไปท้อถอยท้อถอยไม่ได้โอ้ลาบเกิดขึ้นแกเราโชคเกิดขึ้นแกเราแล้ววาระดีเกิดขึ้นกับเราแล้วหมุนจิตเข้าไปสู้ทันทีเลยอ๋อปวดปวดเขสักคำว่าปวดอย่าเอาคําว่าเราไป ร, อร้รองรับว่าเราปวดถ้าเอาเราไปร้องรับว่าเราปวด แสดงว่าตันหามันโผล่เข้ามาแล้วนี่การที่ที่เราจะมาเห็นหน้าเผชิญหน้ากันกับตันหานี่เรามาตรงนี้เราจะเจอกันได้ง่ายๆเราจะเจอกับตันหาเนี่ถ้าตันหาโผล่เข้ามาที่ไรเมื่อไรมันก็กระซิบกระซาบ่าเราปวดเราปวดเราปวดอัตราตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาแสดงว่าเราเอาอัตราตัวตนของเรานี่ไปรองรับ ถ้าปวดสักทว่าปวดเราไม่ได้ปวดไม่มีเราปวดไม่มีคำว่าเราเป็นสัจธรรมล้วนๆที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราทำจนจิตมันยอมรับเมื่อจิตยอมรับแล้วก็นั่งได้เท่าไรเท่ากันนั่งได้นั่งทิ้งไปเลยแต่ต้องฝึกกันนะต้องฝึกต้องฝึกฝึกหนักพอสมควร แต่ว่าหนักหรือไม่หนักเรามาเจอตรงนี้เราเราเห็นเราเห็นท่าต่อสู้เราเห็นด่านต่อสู้เราจะมีวิธีการจะหลบจะหลีกจะใช้สติใช้ปัญญาสามารถขนาดไหนก็ลองดอูอันนี้เราลองกันได้เลยแหละคืนนี้เรากลับไปเราลองกันได้เลยอันนี้วิธีการที่เรานั่งนานนั่งนานแล้วก็ปวด 40นาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมองเป็นต้นไปเราเราต้องปวดการปวดนั้นเรามีวิธีการต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่พอเราเริ่มนั่งปุ๊บเราก็โครเจ็บโกรูปวดเอานุ่นมารองเอานี่มารองให้เราคิดว่าถ้าปวดเรามีวิธีการต่อสู้แบบนี้และวิธีการต่อสู้แบบนี้ทำให้เราได้กำลังใจเร็วมาก เร็วกว่าเรานั่งตามปกติธรมธรมดาธรรมดาเพราะความเจ็บความปวดนั่นแหะเป็นสัจธรรมเวทนานี้เป็นสัจธรรมนะเวทนาทุกขเวทนาเป็นสัจธรรมเรานั่งภาวนานี่ถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็านั่งภาวนาเพื่อให้เห็นสัจธรรมพอเวลาสัจธรรมมาปรากฏเฉพาะหน้าเราไม่กล้าพิจารณา เรากลัวสัจธรรมเรากลัวทุกข์เรากลัวทุกเพราะฉะนั้นท่านยิงว่าอิริยาบทมันบังทุกเมื่อเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่เข็ดหลาบในทุกเมื่อเราไม่เข็ดหลาบในทุกเราไม่รู้จักทุกในเมื่อเราไม่รู้จักทุกขเราก็ไม่พยายามที่จะออกจากทุกเนี่ยในสุ่มก็พ้นทุกไม่ได้ เพียงเรานั่งแล้วทุกขเวทนามาปรากฏแล้วเราสู้ไม่ได้เราก็ถอยเราก็ถอยนี่คือสัจธรรมเราทดสอบดูตรงนี้แหละตัณหาอุปาทานเราอยู่ลึกอยู่ตื้นมีมากมีน้อยขนาดไหนเรารู้รู้ตรงนี้แหละตัณหารามากอุปาทานเรามากเจ็บโอ้ยเราเจ็บปวดโอ้ยเราปวดนี่ตัณหาอุปาทานมันมีมากวิธีการต่อสู้นั้น ถ้าหน้าปวดปวดให้เอาสติไปจอหยดอยู่ตรงที่ปวดระลึกรู้สักที่ว่าปวดปวดไม่ให้มีคําว่าเราปวดไม่ให้เอาคําว่าเราไปรองเราว่าเราปวดถ้าเราปวดขึ้นมาทีไรเมื่อไหรนะ่นั่นตัณหามันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีตัณหาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรอุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว เมื่ออุปาทานมันโผล่ขึ้นมามันก็สะสมจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าความท้อใจความกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวอะไรรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมันก็สะสมสะสมเป็นวิบากอุปาทานมันมีผลเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นในสุดเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็ยอมแพ้ อ, อีกวาระหนึ่งแพ้ อ, อีกแล้ว <c oughs> คราวหน้าก็แพ้ อ, อีกแล้ว คราวไหนก็แพ้อีกแล้วลุงตาท่านท่านเรียกวิวชาตรงนี้วิธีการตรงนี้ท่านเรียกว่าธรรมะเพชฌฆาตรธรรมะเพชฌฆาตแล้วก็พยายามต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะสักวันหนึ่งเราชนะสักวันหนึ่งนี่เราสักวันหนึ่งนี่ความร่สว่างความชัยชนะจะมีเป็นของเรา อนี่ธรรมะเพชฌฆาตคำว่ า, าธรรมะเพชฌฆาตนี่กิเลสมันกลัวคำว่ า, าธรรมะเพชฌฆาตนี่กิเลสกลัวถ้าเป็นดาบดาบเพชชักขึ้นมาเราวาบวะกิเลสทั้งหลายนี่หัวหดหมดเลยแหละอะฟังฟังฟังดูแล้วถ้าใครมีนิสัยชอบตลุมบอลอย่างนี้สนุก สนุกมากเลยอันนี้เราเราเอาเราอาศัยบทนี้เป็นบทฝึกฝึกหัดด้วยถ้าเราไม่อาศัยตรงนี้เป็นบทฝึกหัดเราจะถอยเจอทุกครั้งถอยเจอทุกครั้งจ่อยถอยพอไปถึงตัวนี้แล้วก็ถอยไปถึงตรงนี้แล้วก็ถอยในที่สุดตั้นเาป่าทานมันขวางหน้าเราอยู่กําแพงมันกั้นเอาไว้เราไม่กล้าข่ามันไปแหละ พอเราไม่กล้าข้ามมันไปในสุดก็เหยียบมันไม่ได้ข้ามมันไม่ได้นะก้าวล่วงเลยพ้นเขตของมันไปไม่ได้ถูกอำนาจมันครอบงำเราตลอดธรรมะเพชฌขาดธรรมะเพชฌฆาตธรรมะตัดกิเลสกิเลสกลัวเห็นธรรมะ เห็นธมเห็นธรรมะเห็นวิธีการเห็นความเพียรแบบนี้ก <im> <from> mm ิเลสกลัวหลงตาท่านใช้คำว่าธรรมะเพชฌฆาตธรรมะเพชฌฆาตเอาเอาเวทนาเนี่ยแหละอืมเป็นเครื่องบังคับจิตเอาเวทนาเป็นเครื่องบังคับจิตคือจิตเมื่อก่อนนั้นจิตมันมักจะล่องลอยสมมติเรานั่งธรรมดาธรรมดามันยังไม่เจ็บมันยังไม่ปวดเนี่ย จิตมันล่องลอยไปจนเป็นนิสัยนึกไปรูปนั้นนึกไปเรื่องนั้นนึกไปเรื่องนั้นนึกไปเรื่องนี้รูปนั้นเสียงนั้นเสียงนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่จบนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องความสนุกสนานเรื่องปัญหาสารพัดมันนึกไปมันล่องลอยไปพอไปถึงคราวมีทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่คิดอะไรตัวเนี่ยเพราะเวทนามันรุนแรงกว่า เวทามันรุนแรงกว่ามันไม่คิดอะไรตอนนี้แต่ต้องนั่ง30 40, 40 50เป็นชั่วโมองขึ้นไปมันมันจิตมันไม่กล้าล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปอย่างอื่นเพราะอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงกว่าจิตมันจะเกาะอารมณ์นั้นอารมณ์ตอนนั้นเดียวนั้นขณะนั้นความเจ็บปวดมันรุนแรงกว่าเอาสติเอาผู้รู้ทั้งหมด เอาพลังทั้งหมดเอาสมาธิทั้งหมดเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดน่ยหอมกระหน่ำมาจอดูพิจารณาเวทนาเลยตอนนี้พิจารณาเวทนาเวทนาก็คือความปวดเราดูไปในขณะที่เรานั่งเนี่ยเราก็ดูได้ความปวดแต่ทุกขเวทนาเนี่ยเราดูได้ได้เห็นได้ง่ายถ้ากเราดูทุกขเวทนาจนชํานาญแล้วเนี่ย เราค่อยมาเดอเราค่อยมาดู <unc> สุขเขเวทนาพระสุขเวทนาเนี่ยมันดูยากสุขเวทนามันไม่ต้องทนแต่ทุกขเวทนาความเจ็บความปวดมันต้องทนถ้าหากเราพิจารณาทุกขเวทนาจนชำนาญแล้วเราจึงคอยมาพิจารณาสุขเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราทุกขเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา ให้ใช้สติสักถาวรลึกรู้จริงๆไม่มีเราไม่มีเราเข้าไปรองรับว่าเราเจ็บว่าเราปวดเหมือนอย่างเราปวดปวดหลังปวดเอวเนี่ยปวดหัวเขาเ่าเรานั่งนานๆปวดไหลเงี้ยปวดบันเอวจนจะหักเอาจิตเอาผู้รู้นี่จิ้มไปตรงความเจ็บ ค, ความปวดนั่นแหละแล้วลงตาท่านไม่ให้จิ้มเฉยๆท่านให้ใ ห, ให้เอาผู้รู้ของเราจิ้มไปที่ความปวด แล้วก็แล้วก็ให้ย้อนมาดูจิตเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนกับพูดเรื่องย้อนก็เข้าใจกันหรือ ย, อยังกับมารู้เมื่อคืนพูดเรื่องย้อนคําว่าย้อนก็คือคิดทวนคิดกลับสวนทางกลับเอาสติกันหมดดูทุกทุกขเวทนาดูทุกขเวทนาสแล้วก็ย้อนมาดูจิตย้อนไปดูทุกขเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูจิต ลองย้อนดูได้ย้อนได้ไหมทาความรู้สึกอยู่ที่ทุกขเวทนาแล้วก็มาทำความรู้สึกอยู่จำพาะจิตเพราะว่าทุกขเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งมันคนละอันกันถ้าหากเราไม่พิจารณามันจะเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นก้อนอันเดียวกันถ้าเราพิจารณาปั๊บมน่มันจะมันจะแยกกันโดยอัตโนมัติแท้ที่จริงมันไม่ใช่อันเดียวกันนี่ธรรละเอียดนะ ธรมะนี่แยย่แย่แย่แย่จนหมดจนไม่มีอะไรนอกจากนั้นแล้วถ้าให้ท่านให้ย้อนไปดูกายอีกกายตรงที่มันปวดเช่นอย่างปวดบ้านเอวเนี่ยกำหนดทาความรู้สึกไปที่กายกายก็สักเที่ยวว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวทนาก็อาศัยกายเกิดทำความรู้สึกอยู่กับกายแล้วก็ย้อนมาที่ เวทนาแล้วก็ย้อนมาที่จิตลองลองลองย้อนดูลองกำหนดย้อนดูย้อนจากจิตไปดูเวทนาย้อนจากเวทนาไปดูกายย้อนจากกายมาดูจิตย้อนจากจิตไปดูเวทนาดูกายซาบกันไปอยู่อย่างนี้แหละมุนอยู่นี่แหละมุนให้ละเอียดให้ทีให้ยิบสติสังปรียญยันจ่อขยับไปไหนไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้ไไไไดอืม ขยับไปไหนไม่ได้มันมั น, ม, นมันท่ามกลางสมรภูมิอ่าท่ามกลางห อ, อกท่ามกลางดาบเนี่ยท่ามกลางสมรภูมิเนี่ยลองดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยเ ร, เราจะได้จะได้ประสบความอาศัศจรรย์ขึ้นมาให้ได้แหละดูอย่างนี้หัดต่อสู้อยู่อย่างนี้แหละต่อสู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เราจะได้กำลังเราจะได้กาลังใจมาก ดีกว่าเรามานั่งสบายๆหลับตื่นหลับตื่นเ ค, คล่มเครื่มหลับตื่นหลับตื่นเครืค่มเค่มบางทีเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีสู้เรานั่งอย่างนี้ครั้งเดียวก็ไม่ได้มันจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยตื่นโปรงเบิกบานเห็นช่องเห็นทางเห็นสมรภูมิการต่อสู้กับศัตรู แล้วจิตมันอาถานนะจิตจิตอาถานมากนี่วิชานี่แหละเป็นวิชานั่งนั่งได้ทั้งคืนเป็นวิชานั่งตลอดรุ่งเราฝึกวิชานี้ให้ช่ำชองนั่งได้ตลอดรุ่งนี่แหละ ว, วิชาวิชานั่งตลอดรุ่งวันนี้ไม่มีคนไทยเนาะนะวันนี้ไม่มีคนไทยยอมแพ้แล้วเรามาสรุปสรุปเรื่อง เรื่องเวลาเรานั่งแล้วไปเจอปวดเรามาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันเรามาสรุปว่าเวลาจะเริ่มนั่งเราไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดเราไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดเรามีวิธีการคอยเรารับความเจ็บปวดอยู่คือวิธีการที่แนะนำนี่แหละพอพุทโธพุทโธพุทโธอุปสรรคของพุทโธเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงมาพูดถึง ตอนปวดนี่ซะ ก, ก่อนอุปสรรคของผู้ทมีอีกไอตอนที่ยังไม่ปวดอุปสรรคของผูท้ทเรามาพูดถึงอุปสรรคของการเจ็บการปวดซะ ก, ก่อน อ, อให้เราคิดได้ว่าเวลาจะนั่งเราไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดบางคนเป็นอย่างงั้นจริงๆนะโอ้ยทาไมนานปวดวันนี้นานปวดเหลือเกินพอเราแนะนําเขาปับ๊บเขาบอกโอ้วันนี้ทําไมนานปวดเหลือเกินเขานานได้พิจรารณา ถ้าเจ็บถ้าถ้าปวดขึ้นมานี่เขาจะได้พิจารณาจิตมันจะอยู่จิตมันจะไม่ไปจิตมันจะไม่ไปนึกเรื่องกาม m ฉันทะพยาบาทะีนามิท่จิตะ อ, อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันไม่นึกไม่คิดหละมันมาจ่ออยู่แต่เรื่องปวดเพราะเพราะฉะนั้นเวลานั้นพอมันเจ็บมันปวดปับ๊บเรามีวิธีการต่อสู้คือใช้ใช้หลักมหาสตินี่แหละ มหาสติตอนนี้นะทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมพันกันอยู่หมุนกันอยู่นี่นี่มหาสติปัฏฐานเป็นแนวแนวทางที่หลวงตาท่านสอนไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นห า, หาดูที่ไหนไม่เจอหลวงตาท่านจะสอนแบบเนี้มันจะพันกันไปหมดเลยนี่มหาสติปัปฏฐานภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีไปดูไม่มีมีในภาพปฏิบัติ เราไม่ต้องกลัวทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนาเป็นสัตยธรรมอย่างหนึ่งเราเอาผู้รู้ของเราไปดูเวทนาเนี่ยดูดูได้ไหมดูได้ย้อนจากทุกขเวทนามาดูจิตเราเนี่ยย้อนดูได้ไหมดูได้จิตไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดทุกขเวทนาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดมันไม่เจ็บยังไงมันไม่ปวดยังไงไปดูให้เห็นให้เห็นก็แล้วกัน อาศัยอุปาทานอาศัยตันหาอุปาทานมันแทรกถ้าตันหาอุปาทานไม่แทรกไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรปวดไม่มีเจ้าของลองลองทำให้เห็นตรงนี้เราจะได้กำลังใจมากเราจะได้กาลังใจเราจะเข้าใจเรื่องหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้านีให้สรุปว่าเราไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดละ นั่งเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงนั่งต่อสู้เอาเลยใครที่ว่าเด็ดเด็ดเก่งเก่งเอาลองเอาตรงนี้ต่อสู้ตรงนี้ใครมีสมาธิดีดสู้ได้ดีใครมีสติดีมีสมาธดิดีีต่อสู้ตรงนี้ได้ดีมากแล้วการที่เราต่อสู้ตรงนี้ได้มันก็พัฒนาสมาธิไปในตัวนี่เขาเรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญามันอบรมกันแล้กันสมาธิอบรมปัญญาใครมีสมาธิดีก็ทำให้พิจารณาตรงนี้ได้ดีใครพิจารณาตรงนี้ได้ดี<ค>ดเห็นดีดเห็นดีเห็นอื่นเห็นต่างไม่มีคาว่าตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะทำให้ปัญญาของคนนั้นดีแล้วก็สมาธิก็ดีขึ้นเกื้อกูลเกกันแล้กันอันนี้เอาแค่นี้ก่อน แล้วต่อไปจะพูดอุปสรรคไอตอนที่ยังไม่ปวดอันนี้พูดพูดถึงตอนปวดเ อ, เอาสรุปเอาแค่นี้ก่อนภาวะโดยปกติภาวะของจิตนี่มันสงบได้ยากเริ่มแรกเรานั่งเราจะนั่งเนี่ยเริ่มแรกเราจะนั่งให้เราตั้งใจทาทำงานให้ตรงทำงานให้ถูก พอเราจะนั่งปั๊บเอาความอยากไม่อยากให้สงบอยากให้เห็นนู่นอยากให้เห็นนี้อยากให้เห็นนรกอยากให้เห็นสวรรค์ผิดอันนี้ตั้งใจไว้อย่างนี้ผิดอยากสงบอยากได้อัดอยากได้ทำอยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์อยากเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ผิดจิตของเราจะไม่มีความสงบได้เลยลมันจะวิ่งวุ่นหา ไปตามอำนาจความทะเยอทะยานของจิตเพราะฉะนั้นท่านยิงให้กำหนดอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธจริงๆนั่งแบบที่เรานั่งเนี่ยแหละแล้วก็หายใจยา ว, ยาวหายใจเข้าพูดหายใจออกโรหรือถ้าบางเจตนิสัยไม่ถนัด ก, ก, ก็ให้ตั้งสติตั้งสติจำเพาะหน้าดำรงสติจำเพาะหน้า คือจมเพาะจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าจมเพาะหน้าตั้งสติไว้จมเพาะจิตหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจยาวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือไม่ก็ถ้าเป็นเจริญนิสัยพุทโทพุทโทพุทธโทก็ตั้งสติให้มั่นแล้วก็พุทโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทพุทธไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความรู้สึกไปกับคําอื่นกับเรื่องอื่น ไม่เปลี่ยนความรู้สึกให้จิตเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์เดียวในพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปตลอดอแต่ว่าความสังเกตสังกาความคอยจับคอยจ้องกิเลสที่มันจะมาคอยฉับจิตดึงจิตลากจิตไปนี่มันต้องมีความระมัดระวังก็ต้องมีด้วยสังวรที่ที่ เ, เรียก ว, ว่าสังวรสังวรระวังระวังไม่ไม่ให้กิเลสมันสวมรอยเข้ามา พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้พุโทโธให้บริสุทธิ์ภายในใจไม่เอาความอยากมานำหน้าเอาความอยากมานำหน้าเอาตันหามานำหน้ากลายเป็นว่าทำงานให้กับตันหาผลรายได้ที่เราจะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ขอบเขตการดิ้นของจิตมันก็ไม่มีอะไรเกินดิ้นดิ้นรังกามที่ธนวัว่ากรรมฉันทะติดเรื่องรูป คาว่ากามาันทะมันไม่ใช่เฉพาะความกำหนัดรักใคร่เฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่ติดมันจิตมันติดวัตถุวัตถุนู่นวัตถุนี้สิ่งของนู่นสิ่งของนี้บ้านช่องที่อยู่เครื่องใช้ไม้ส้อยรถราอะไรที่ใช้ถูกอกถูกใจเจริตนิสัยจะเป็นในแง่ใดใด ก, ก็ตามถ้ า, าจิตของเรามันติดนั่นแ่ะคือมันคือมันติด มันติดมันติดกามฉันทะพอใจในวัตถุกามบางทีกามราคะกามเร้บด้วยแล้วนี่โอ้โหมันนั่งวาดเป็นมโนภาพนั่งวาดเป็นมโนภาพสำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ในนั้นหมดมไม่ต่างอะไรกับเรานั่งดูหนังนะตั้งแต่เริ่มม้วนจนจบม้วนน่ะถ้าหากเราไม่มีกระจิตกระใจที่จะตั้งใจทาให้จิตได้ดรับความสงบ สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะมาคอยสวมรอยเป็นอุปสรรคที่ทะเยว่านิวร์นิวร์มันมากั้นกั้นจิตของเราให้ได้รับความสงบถ้าหากมันไม่คิดเรื่องความรักความใคร่มันก็คิดเรื่องความชังการมาฉันท ะ, พย า, าทะพยาบาทะพยาบาทมันคิดเรื่องพยาบาทพยาบาทก็คือเรื่องความโกรธความเครียดความแค้นเคยเครียดกับคนนั้นเคยเครียดกับคนนี้ ไม่พอใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับคนบางทีกับวัตถุกับสิ่งกับของอะไรก็ก็มันก็ไม่พอใจได้ที่ที่จะเรียกว่าพยาบาทพยาบาทพยาบาทะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรืองคิดไปคิดมาโกรธโกรธอาฆาตพยาบาทเพิ่มเติมอะไร อ, อะไรขึ้นมาเนี่ยมาก่อควรจิตไม่ให้จิตได้รับความสงบกามฉันทพยาบาทะทีนะบางที จิตมันขี้เกียจมันเหงานอนมันง่วงนอนสนอยเคลิอมไปแล้วหลับไปแล้วทีนะทีนะจิตขี้เกียจนอกจากจิตขี้จิตขี้เกียจแล้วกายอยากพักผ่อนกายอยากพักผ่อนเช่นอย่างเรารับทานอาหารใหม่ๆเราไปนั่งเนี่ยร่างกายของเรามันอยากพักผ่อนเพราะร่างกายมันทํางานหนักประกอบกับบวกกับจิตขี้เกียจ ที่ที่เกียดเราลาบไปเลยบางคนลับคลอกคลอกท่ามกลางหมูเนี่แหละอา่าดังหายใจดังคลอกคลอกท่ามกลางหมูเนี่แหละอา่านี่คือถีนมิทธะถ้าไม่ถีนมิทธะก็คิดปรุงจนฟุ้งซ่านอา่าอุทัศกุกุจั ก, ร ก, จกรหรือไม่อีกอันหนึ่งก็ น, นึกเรื่องลังเลสงสยัยเออมาก ผล น, นิพานมีจริงไหมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนี้นมีจริงไหมลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องนิวนกรกั้นจิตไม่ให้ได้รับความสงบนี่อันนี้ตามหลักแทๆ้ๆสิ่งที่เป็นอารมณ์กั้นจิตไม่ให้ได้รับความสงบจากสิ่งเหล่านี้แหละ เพราะฉะนั้นท่านจึงจึงให้ทำจนเป็นประจําวิสัยของจิตมันเป็นวิสัยที่น้อมเอ e ียงไปกับอารมณ์โดยปกติจิตกับอารมณ์จะต้องอยู่ด้วยกันจิตกับอารมณ์จะต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เขาสงบเราจึงมีงานให้เขาทําพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันไม่ให้จิตมันนึกปรุงเรื่องการมฉันทะไม่ให้มันนึกคิดปรุงเรื่องพยาบาท แล้วก็ไม่ให้มันจมการที่เราไม่ให้จิตจมนั่นะคือเราประคองพุโทโธพุโทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราถือว่าเป็นการประคองถ้าเราไม่ประคองมันจะจมมันจะจมไปกับอารมณ์แล้วก็ประคองแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการกระตุกกระตุกจิตขอ้เราใ้ตื่นปลุกจิตเขาห้หยตื่นพุโทโธพุโทโธมันก็คอยปลุกอยู่นั้นแหละ พุดโธให้ตื่นโรู้พุดโทให้ตื่นรู้พุดโธให้ตื่นโรูทโทรโร้อย่างนั้นถ้าเราไม่คอยปลุกมันจะจมมันจะหลับนะเราจรึงคอยปลุกนี่คืออารมณ์คําบริกรรมพยายามคิดพยายามพิจารณาให้ละเอียดนะพุทโทพุดโธไม่ใช่สักตะไบเฉยเฉยนะพุดโธพุทโธแต่ละครั้งมันปลุกจิตของเราให้ตื่นปลุกจิตของเราให้ลุกในขณะเดียวกันมันก็สร้างสติไปในขณะเดียวกัน แล้วก็จนสามารถกั้นกระแสของนิวรณ์ได้เอาไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องรักเรื่องช่งเรื่องโกรธเรื่องเกลียเรื่องอะไรไม่ได้ถึงขนาดถึงขั้นนั้นแล้วน่ถือว่าสติเรามีความเรามีกำลังสมาธิเรามีกำลังจิตก็จะค่อยเริ่มสงบแล้วถึงเราไม่ถึงเราไม่บริกรรมพุทโธจิตก็ไม่ไปจิตก็จะอยู่จิตจะเริ่มอิ่มนี่คืออุปสรรคอุปสรรค ที่กีดเขาเราได้รับความสงบยากนอกจากนั้นแล้วก็นั่งไป40่สินาทีห้านาทีนึกมออกไปก็ไปเจอปวดอีกไปเจอปวดอีกไปเจอปวดอีกวิธีเจอปวดต่อไปนี้เลิกเลิกกลัวมันแหละเรื่องปวดเรื่องเจ็บเรื่องปวดเอาวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่แหละมาพิจารณาเลยเพราะปวดเพราะความเกีจยบความปวดนเป็นมันเป็นสัจธรรม ให้ยอมรับโอ้นี่คือสัจธรรมให้จิตเรายอมรับโอ้นี่คือความปวดไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดไม่เชื่อเราก็ดูความเจยบความปวดก็ย้อนมาดูที่จิตของเราจิตก็เรามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยแยกแยะไม่เคยพิจารณามันเลยเป็นอันเดียวกันพอเจ็บก็คือโอ้ยเราเจ็บพอปวดก็อือเราปวดโดยเหตุที่เราหลบทุกนี้เองเราจึงไม่เห็นทุกข์ ท่านจริงว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นการเป็นการเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เราเจอความทุกข์อิริยาบถปิดบังทุกข์นะอิริยาบถปิดบังทุกข์ความเป็นก้อนเป็นแท่งปิดกั้นปิดกั้นอนัตตาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งเลยเห็นว่าเป็นอัตตาเลยปิดกั้นอนัตตา แท้ที่จริงมันทํางานเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอยู่ละเอียดลึกๆซึ่งเรามองไม่เห็นนี่คือธรรมะคุณธรรมที่เราทําไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยกำหนดไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยเราจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักไปจักพยานอยู่ในหัว ใ, ใจของเราทุกระยะทุกทุกระยะทุกย่างก้าวที่เราที่เราตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเราตั้งใจทำไม่ถอยเราจะต้องได้ประสบประสบความอัศจรรย์วันใดวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้อ ง, งไม่สงสัยไม่ต้องสงสัยวันนี้อธิบายบรรยายแค่นี้ก่อนต่อไปถ้ามีคำถามก็พูดกันบ้างเพราะหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี้เขาถามว่าความอดนอนเป็นสิ่งที่สำคัญไหมครับที่สอง ความคิดเป็นสถิติธรรมบทไหนครับทับคิดชดนาความคิดเป็นจิตานุปัสสนาอังก a ษจิตานุปั i Herzbetrachtung การอดนอนการอดนอนเราอดทำไมเราอดเพื่อทำงาน นอนการนอนนอนนอนพอดีพอดีกับการพักผ่อนแต่บางครั้งนิวรนมันครอบงำ ม, มันสวมรอยเช่นอย่างเรานอนสี่ชั่วโมงเนี่ยเต็มอิ่มแล้วเรานอนไปห้ากชั่วโมงเจ็ดปดชั่วโมงเนี่ยเรานอนทิ้งเวลาไปเฉยเฉยถ้าเราลุกมาทํางานลุกมาภาวนาครูบาอาจารย์ท่านให้อดนอนผ่อนอาหารการภาวนาเนี่ยให้อดนอนให้ผ่อนอาหาร ให้เรารู้ฤทธิ์เดชของการอดนอนให้รู้รู้ฤทธิ์เดชของการอดอาหารเพื่อที่จะจะได้รู้กำลังในการภาวนาของเราว่าเรามีกำลังมากน้อยขนาดไหนอดนอนนี่ก็ทรมานหน้าดุมกันนะอดอาหารนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยอดอาหารแต่ถ้าหากอยากอดนอนนี่ต้องผ่อนอาหาร เช่นอย่างอยากอยู่ทั้งคืนเนี่ยจะต้องอดจะต้องอดอาหารเราอดอาหารหนึ่งวันสองวันเนี่ยเราอยู่ทั้งคืนในสบายไม่ง่วงนอนเจ็บปวดก็น้อยนะ น, น, นั่งนั่งนั่งนี่เวทนาก็น้อยถ้าเรารับทานอาหารเต็มแปรโอ้่วงก็ง่วงเจ็บก็เจ็บครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เน้นหนะ่ะ อดนอนพอนอาหารร่างกายเบาสบายทํางานได้สะดวกคล่องความนึกกับความคิดมันกันเดียวกันนึกคิดนี่เป็นภาษาไทยเป็นกิริยาของจิตเป็นกิริยาของผู้รู้ความนึกความคิดเนี่ยเป็นกิริยาของผู้รู้ เป็นกิริยาของจิตธรรมชาติของจิตต้องนึกต้องคิดที่ว่าจิตสงบจิตสงบนั่นคือจิตถูกธรรมะฝึกหัดดัดแปลงมัดจนจิตจนจิตอิ่มแท้ที่จริงจิตมันหิวจิตที่จิตคิดเพราะจิตมันหิวมันหิวคือจิต ภายในจิต ท, ที่มันหิวนะั่นน่ะมันมีตัณหาอยู่ในนั้นจิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมีตัณหาอยู่ในนี้ตัณหาคือความอยากความอยากของตัณหาของจิตของเราเนะ่ะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหิวจิตหิวหิวอารมณ์จิตมันหิวโดยปกติขอามันต้องนึกต้องคิดทีนี้เราต้องการให้จิตสงบให้จิตอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจิงให้เอาหลักธรรมะ มากำกับจิตให้จิตมันบริโภคธรรมะต้องการให้เขาหยุดโดยที่ไม่มีงานให้เขาทาเขาจะไม่หยุดเขาจะหิวหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสหิวไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดเอาธรรมะมาให้จิตบริโภคพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกลายเป็นว่าธรรมะนี่เป็นอาหารของจิต พอจิตทำซ้ำๆซ้ำๆบริโภคซ้ำๆๆเหมือนกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปรับทาจิตจะเริ่มอิ่มจิตจะเริ่มอิ่มพอจิตเริ่มอิ่มจิตจะไม่หิวจิตไม่หิวจิตไม่หิวแล้วจิตมีพลังจิตมีความสงบความสงบของจิตเนี่ยเป็นลําดับตั้งแต่ถ้าเราจะเรียกตามลักษณะขององค์ฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4ละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยนี่คือความสงบของจิต จนเหลือแต่ผู้รู้รู้อย่างเดียวไม่มีกิริยาทราบด้วยตัวของตัวเราเองเจ้าตัวนีรู้ไม่มีกิริยากิริยาของความสุขก็ไม่มีกิริยาของปีติความเ อ, อิบอิม่มอะไรต่ออะไรก็ไม่มีกิริยาที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่มี <c oughs> นี่คือจิตสงบโดยธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่ได้ฝึกจิตจะไม่สงบ จิตจะต้องนึกจะต้องคิดถ้าหากจิตเรามีความสงบแล้วเราเอาจิตไปนึกไปคิดไปพิจารณาเรื่องอะเรื่องธรรมเราใช้คําว่าพิจารณาพิจารณาก็คือนึกคิดอันแหละจิตคือธรรมชาติที่นึกที่คิดเตียนนึกนึกคิดตามธรรมะกับนึกคิดตามกิเลสนึกคิดตามธรรมะก็มีวิบาก คือผลเพิ่มเป็นธรรมะถ้านึกคิดเป็นกิเลสผลเพิ debates, ่มก็เป็นกิเลสเป็นวิบากกรรมที่ท่เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากการนึกคิดของจิตนั้นอ่ะมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งมันเป็นการกระทําของจิตมีผลเพิ่มท่เรียกว่าท่านเรียกว่าวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตัวนี้แหละท่เรียกว่าวัฏฏวนวัตฏวน กิเลสมีอยู่ภายในใจของเราคือตัณหาตัณหาอนานึกพาคิดทำกรรมที่เรียกว่ากรรมทำมากทำน้อยเป็นผลเพิ่มท่านเรียกว่าวิบากรร ก, กรรมกิเลสกรรมมวิบากกิเลสกรรมมวิบากเป็นวัตตวนวัตตวนกับเกิดแก่เจ็บตายกับวัตตะสงสารนี่อันเดียวกัน เ, เข้าใจไหมเข้าใจครับคุณครับมีอะไรอีก เขาถามว่า เ, เคยอ่านในประศูตร์ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่คิดดีกว่าคิดแล้วก็ท่านก็ถามว่าเ อ, อไม่คิดดีกว่าคิดเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าใช้ความคิดเ อ, อเพื่อจะคิดในเรื่องธรรมะอ อ, อ, อก็เป็นผลมีผลอยู่ด้วยแล้วก็อะไรดีกว่ากันคิดหรือไม่คิดมันคนละวาระ เราไม่คิดเรื่องที่เลวไม่คิดเรื่องของขีเลอเราไม่คิดดีกว่าคิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเราคิดยิ่งมีวิบากเพิ่มเป็นธรรมะเราเราจะทราบได้ว่าจิตจะต้องนึกจะต้องคิดถ้าไปนึกคิดเรื่องเลวๆไม่คิดดีกว่าคิดเรื่องไม่ดีเราไม่ต้องคิดเพราะคิดแล้วมีผลเพิ่มเป็นวิบากรรม หรือไม่ก็เราต้องการให้จิตสงบเราต้องการให้จิตสงบในสุดจิตจะสงบด้วยความคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุคิดน้าหน้าข้ามมือก็ว่าเราให้อาหารเพิ่มเข้าไปเพราะจิตอิ่มจิตจะไม่ดำหรือคำว่าพุทโธได้จิตไม่หิวเลยจิตไม่หิวแลยจิตอิ่มจิตอิ่มเป็นจิตอิ่มด้วยอารมณ์ธรรมอันนี้เราน้องมาเพื่อเพื่อเป็นข้อปฏิบัติ เราไปจับประเด็นคําพูดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นยังมันยังไม่เป็นข้อยุติแต่ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลในตัวของมันหรือเราเร า, เ, ราเอาเราไปอ่านเจอเราต้อง <c oughs> เราต้องพิจารณาด้วยพิจารณาให้เป็นผลด้วยไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจนอกจากวัตถุพื้ที่ที่เได้ตัดังขออเราไม่เข้าใจว่าท่านไม่ให้คิดด้วยเหตุใดมันยังมันยังไม่จบมันยังจะต้องมีเหตุผลประกอบอยู่ท่านให้คิด เพราะเหตุใดท่านไม่ให้คิดเพราะเหตุใดมันมีเหตุผลประกอบอยู่เราจับประเด็นจับคำพูดเป็นคำๆมาพูดนี่มันยังไม่จบมันยังไม่ยุติประเด็น <c oughs> คำพูด <c oughs> ทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันอยู่คำพูดคาพูดในพระสูตรก็ตามในพระพิธรรมก็ตามเราฟังแล้วเราจะต้องมาพิจารณาแล้วเราจะต้องมาทำตาม ไม่ใช่พุทธเจ้าท่านให้เชื่อทั้งหมดตอนที่เราไปไปพบไปเจอเพราะฉะนั้นใ น, ในกาลามาสูตรท่านถึงเอามาพูดเราไปประสบพบเห็นแล้วเราต้องเอามาทํามาทำเสีก่อนถ้าเราทําแล้วเออมีเหตุมีผลมีสาระเราก็ทําโอ้ไม่มีผลไม่มีสาระเราก็ไม่ทํารรมะธ ร, รมะทุกข้อที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านไม่ให้เชื่อท่านให้ให้ทาห่ทานให้ไปพิสูจน์ ท่านถ้าได้ไปพิสูจน์ท่านไม่บังคับให้เชื่อเพราะฉะนั้นคําพูดที่เราไปจับเป็นประเด็นนูน้นประเด็นนี้ประเด็นนี้เราไม่เข้าใจเรามาละฐานไว้ในในในที่ว่าไม่เคจะเรามาพิจารณาแล้วก็ตีความแล้วก็มาปฏิบัติประกอบไปด้วยเราจะเราจะเริ่มเข้าใจอเราเราไม่เข้าใจอะไรก็ตามเราพยายามย้อนมาที่นี่ <c oughs> ถ้าถ้าทําถ้ามึง ทาถ้ามึงโง่นักมึงก็ไม่ไม่ต้องคิดยอดมามัดมอยู่นี่ฮะหาวิธีดักง่ายๆฮะเจะออกมาใช่เนี่ยมันอยากดิ้นนักดิน้นแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่รู้สึกมัดมอยู่เนี่ยผู้ล้วฝังอย่างนั้นนะให้ให้เราถามให้ได้แนวให้ได้แนวได้ได้ไ ด, ได้ได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติ พยายามให้เขาพูดให้ในแนวปฏิบัติในข้อปฏิบัติไปไปปฏิบัติสายาเอาไปเสมอเขาจะกบเลยเทำรเาทอะไร ขึ้นเกโรถามว่าหลวงพ่อเคยพูดถึงการเป็นคายานมิตรโดยเฉพาะถ้าเป็นเป็นสามีภรรยาแล้วก็การเป็นคาริยานมิตรในการแต่งงานในการเป็นเป็นสามีที่เป็นมันจะทําอย่างไรดีแล้วก็เพิ่งเพิ่งเขาถามว่าจะแต่งงานไหม น้าทุกคนเขาถามว่าอยากจะเป็นพันนายของผมต่อเพิงถามต่อหน้าทุกคนเขาเขาทํเขาทำเล่นหรือทาจริงเขาทาจริงเหละท่าจริงเขาเขาจะแต่งงานกันแหละเกียกันกันแล้วก็ถามถึงการยานการยานานิษฐ์ให้ให้เรารักกันที่จิตใจแล้วก็มาก ผู้ชายให้รักจิตใจของผู้หญิงผู้หญิงให้รักจิตใจของผู้ชายให้เคารพกันให้ความนับถือกันไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันและไม่นอกใจกัน เราก็จะเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันไปจนตายด้วยกันทหลวงพ่อบอกว่ารักจิตของภรรยาภรรยารักจิตของชายรักจิตใจกันให้รักใจกันไม่ให้รักตัวไม่รักดีเท็ดสให้รักร่างกายให้รักจิตใจกันให้เคารพจิตใจกันให้เคารพจิตใจกันเพราะว่าถ้ารักกายกันเนบเดี๋ยววันไม่กี่วันก็เบื่อกันแล้ว ผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายถ้ารักร่างกายกันเนี่ยไม่กี่วันก็เบื่อถ้าเรารักเคารพคุณธรรมที่จิตใจกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันไปจนตายข้อสําคัญเวลาเราอยู่ด้วยกันไปแล้วผู้ชายอย่าให้ผู้หญิงต้องเอาใจผู้ชายอย่าให้ผู้ชายต้องเอาใจผู้หญิงผู้หญิงทําตัวให้ผู้ชายเอาใจ ผู้ชายก็พยายามทำตัวให้ผู้หญิงเอาใจต่างคนต่างไม่ต่างคนต่างจะให้อีกคนหนึ่งยอมยอมยอมเอา อ, อกเอาใจเนี่ยสักหน่อยหนึ่งหนึ่งมันจะเบื่อหน่ายกันให้เคารพจิตใจกันให้สามัคคีปรองดองกันให้สุขสุขด้วยกันให้ทุกทุกด้วยกันที่เคารพกันไม่ดูถูกกันอีนสำคัญที่สุดไม่นอกใจกัน สามีไม่ไปขโมยมีแฟนใหม่ภรรยาไม่ไปขโมยมีแฟนใหม่แล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสะดวกสบายตลอดชีวิตเป็นคู่บรารมีกันได้อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวสมิชฉะตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยัทามานิโชติระโสยาัาสัพพีติโยวิวชัชชนตุสัพโรโควินาศดุ มาเตภวัตวันตราชโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนาศิิสริจังวุฒาปิจายิโนจตาโรโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสธีภวันตุเตภวะตุสัพพมังฆังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุพาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตจจเ